สัางแา่ด้ชนพุทธบริษัททั้งหลายฉบับวันบบนี้ก็ขอมาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทไม่เราขอร้อชีอเรื่องว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกที่เล่ามาด้พูดถึงลักษณะของคนชั่วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราไปสังคมกับคนชั่ว เพราะว่าคบคาสมาคมกับคนชั่วเราก็ชั่วไปด้วยแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะของคนชั่วไว้หลายประการและว่าถ้าอยาพูดเรื่องในลักษณะของคนชั่วและองการชั่วมันก็จบไม่ได้เหมือนกันไม่มีทางจะจบดัง น, นั้นว่าขอสรุปว่าเราจางจงอยาคบคนชั่ว แล้วก็ยาคบอารมณ์ชั่วของจิตถ้า <c oughs> ว่าเราไม่คบคนชั่วแต่ว่าเราครบอารมณ์ชั่วของจิตเราก็ต้องชั่วไปด้วยอย่างบุคคลที่เขาเรียกกันว่าบัณฑิตคือเป็นผู้รู้รับการยกย่องส่งเสริมมาจากสถาบันใดก็ตามคําว่าบัณฑิตในสถาบันต่างๆ เป็นลักษณะของบัณฑิตที่รับความรู้มาจากสัญญาแต่ว่าอาจจะเป็นชนชั้นปัญญาบ้างโดยังไงก็ขอพิจรารณากันดูเพราะการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัญญามากกว่าปัญญาที่ว่าสัญญาก็คือความจำพยายามจำตำรับตำราไว้เป็นอันมาก นี่ถาหากว่าท่านมีสัญญามากคือความจำได้มากแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยช่วยประกอบความรู้ก็เป็นความประเสริฐและยิ่งปกว่านั้นการศึกษาวิทยาการต่างๆถึงแม้ว่าเราจะรู้อะไรดีมากสักเพียงใดก็ตามทีถ้าในเคอของพระพุทธศาสนายังไม่ถือว่าเป็นคนดี รือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้สำหรับคนดีนั้นอยู่ที่ความประพฤติจะรู้มากรู้น้อยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความประพฤติแต่คนที่มีความรู้มากแต่มีจิตอคติอยู่ไม่รู้คนๆอย่างคนดีเขายกย่องสนเสริญตั้งไว้ในฐานะมีตำแหน่งดีๆ แต่ดูว่าภายหลังกลับคิดี่ค่าเคืองค่าทำลายล้างบคุคคลผู้มีคุณอย่างนั้นสมเด็จโสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเขาผู้นั้นก็ไม่ใช่คนดีไหม่ขึ้ันเป็นคนชัว่วเป็นอันสรุปดีว่าถ้าเราจะเป็นคนดีตามคติของพ ร, ระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงช่วย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 และมีอะไรบ้างที่ผิดต่อศีลธรรมทำให้บุกคนอื่นรับความแลวร้อนและผลนั้นมันจะสะท้อนเข้ามาถึงตัวแม้ว่าผลนั้นจะท้าท้าทั้งตัวช้าเร็วก็ตามเราจะไม่คำนึงก็ได้คำนึงแต่เพียงว่าถ้าทำอย่างนั้นเราถูกกระทาบ้างเราไม่มีความสบายใจเพียงเท่านี้ ก็เชื่อว่าเราหลีกเล้นจากการไปคนผ่านได้เมือว่าหลีกเล่นจากการครบคนผ่านได้เกําลังใจของเราดีเพราะนั้นว่าเรื่องของการครบผ่านหรือคบคนชั่วพักกันไปตอนนี้ไปเราก็มาพูดทั้งคนดีคนดีจริงๆพระพุทธ เ, เจ้าทรงแนะนําในการปฏิบัติได้มาก เ่อข อ, อยกข้อข้อที่องค์สมเด็จพระพูทมีพระพ่าจาวทรงแนะนำว่าคนทุกคนถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้โลกจะมีความสุขลักษณะของคนดีก็คือหนึ่งมีอารมณ์รักมีอารมณ์สงสารมีอารมณ์มิจฉาริสยาสุขนกละกัน ยินดีเมื่อบุคคลอื่นมีลาภสการและมีความดีแล้ววางเฉยเมื่อเหตุที่เพนเกิดขึ้นนั้นมันมีความผิดตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับแล้วก็ผิดประเพณีนิยมผิดศีลผิดธรรมถ้าอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเกิดขึ้นกับเพื่อนของเรา เราจะไม่แสดงการโกรธเรื่อการเครียดแค้นกับกฎหมายเพื่อเพย์มีกดข้อบังคับสินทำเทียนลงโทษเราอาการอย่างนี้เป็นลักษณะของคนดีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคนดีก็เป็นคนขี้อายเป็นคนกลัวเกรงกลัวอยู่เสมออายอยู่เสมอ มีบริการหนึ่งคนดีมีความกตัญญูรู้คุณคนเมื่อบคุคคลใดเป็นผู้มีคุณให้ความสุขให้ชีวิตให้ความเอือ้อเฟื้อแก่เราเราก็สนองความดีของท่านด้วยความดีของเราอันรักษาของคนดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระเยสีทรงแนะนำว่าเราจะต้องคบ คนประเพศนี้จึงจะมีความสุขโลกจะมีความสุขคนองก็สุขเราก็สุขคนทั้งโลกก็สุขเมืนโลกทั้งโลกมีแต่คนดีจะมีอะไรมาเป็นทุกข์เมื่อเรามาคุยกันที่ลักษณะคนดีสู่กันฟังพระพุทธเจ้าทงกัดว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติความดีตามนี้โลกจะมีความสุข หนึ่งทุกคนต่างคนต่างรักกันเสียให้หมดมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ปธุสรายซึ่งกันและกันเมื่เยื้อแย่งทรัพย์สินคดโกงทรัพย์สินทำลายทรัพย์สินซึ่งกันและกันเมื่เยื้อแย่งคนรักของกันและกัน ไม่พูดวาจาที่ไม่จริงไม่พูดวาจาหยาบคายไม่ไม่ยุโยงส่งเสริมหัวแตกเล้ากันไม่พูดวาจาที่สะเทืนใจให้แต่วาจาที่สดจริงให้วาจาอ่อนหวานวาจาที่กล่าวไปก็เป็นวาจาที่สร้างสรรค์ความสามัคคีความรักสุนทรกัน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 ไม่คิดยาะเย่อย่างนี้เอาแค่การรักก่อนถ้าคนทุกคนต่างคนต่างรักกัน <c oughs> ก็เรามานั่งคิด <c oughs> ว่าโลกนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือความมมีควาทุกข์เมื่อคนทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันทุกคนต่างก็มีความ ขึ้นเริงหันษาเตียนหน้ากันมาไร่ ย, ยิ้มกันมานั้นเมื่อมีความรักกันมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันแต่โลกนี้จะมีความสดชื่นแจ่มใสและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความร่ามร้อนคนทั้งโลกทั้งหมดนี้เห็นใจกันที่ว่าเรากับเขามีความรักสกเรศทุกข์ไหมกัน ตื่นขึ้นมาเมื่อไรกว่าจะหลับลงไปจิตใจของเราไม่ประกาศเป็นศัตรูกับคนอื่น <c oughs> มีอารมณ์รักมีอารมณ์เชื่นชื่นอยู่ในจิตเจอหน้ากันที่ไหนแสดงการเลื่อนเริงหันษาพิม่มหนาาความรักด้วยความจริงใจลองคิดอย่างนี้ว่าโลกนี้จะมีความสุขและโลกนี้จะมีความทุกข์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 อย่างนี้ท่านจะมีความสุขก็มีความทุกข์แล้วเขาเหล่านั้นก็มีความสุขถ้าคนที่คนอื่นแสดงความรักสรแสดงความเมตตาปราณีส่วนใหญ่ถ้ า, มถาไม่ใช่คนที่มีสัญญาวิปลาดเขาก็ต้องรักตอบในอันดับที่สองท่านบอกว่าทุกคนจะมีความสงสารซึ่งกันและกัน รักแล้วก็สงสารต่างคนต่างเกือกูลกันให้มีความสุขความจริงคนทุกคนกันต่างคนต่างเกือกูลกันให้มีความสุขนี่เราก็ไม่ต้องไปจ้างให้ใครเขามายึดทรัพย์ยึดสิ่งของเราแล้วเขามาแบ่งเฉลีย่ยให้เราไม่มีความจำเป็นต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสาร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 เขามีความต้องการในแรย ง, งาน แ, แรงงานบ้านเขาไม่พอเราก็ช่วยเหลือเมื่อเรามีกิจการงานขึ้นมาบ้างมีการอย่างนั้นขึ้นมาบ้างเขาก็ช่วยถ้าต่างคนต่างช่วยกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขแต่ว่าโลกจะมีความทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้มีเป็นปกติสําหรับทุกคนถ้าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าโลกมีแต่ความสุข โลกนี้ไม่มีความทุกข์ท่านลองนั่งเล็กดูสิว่าโลกที่เต็มได้วยความเล่าร้อนอยู่เวลานี้เพราะอาศัยอะไรเป็นสําคัญถ้ากล่าวกันไปจริงๆตามคติของชาวบ้านก็ถือว่าการเห็นแก่ตัวเป็นสําคัญการเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งการคิดจะทําลายบุคคนอื่นอย่างหนึ่ง การอักตันโยไม่รู้คนคนอย่างหนึ่งนี่ทำให้โลกเราร้อนการเห็นแกตัวทำยังไงมีการเห็นแ ก, บ ต, น ก, นกบตัวก็คือหนึ่งไม่เคยคิดว่าการประหัตประหารบุคคลอื่นให้รับความตายกนดีการระทุสร้ายบุคคลอื่นให้รับความลาบากทางร่างกายกนดี เมื่อการกแกล้งให้เกิดความทุกข์ใจก็ดีอารมณ์อย่างนี้ไม่มีสำหรับคนดีตัวแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกันด้วยการท้าปลงการเอารัดเอาเปรียบจ่ายน้อยต้องการมากสร้งสมทรัพย์สินไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็เอาเปรียบบัวคนคนอื่นอย่างพ่อค้าแม่ขายโกงแต่ช่างโกงวัตถุ ของเลวขายเท่าราคาของดีแล้วก็บอกว่าของดีของน้อยขายเท่าราคาของมากแล้วก็บอกว่าเป็นของมากกางซื้อสันพวัตถุไว้เป็นส่งกลางถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่สมัยของตนโดยตรงก็พยายามโกงราคาบวกราคากันเข้าไปของถูกซื้อแพง นี่เป็นลักษณะของคนเลวเห็นเกตตัวแต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อปรากฏขึ้นมันก็มีผลสะท้อนมาถึงตนเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความลับคนจะกินคนจะโกงคนจะคิดคคตรยศประเภทใดก็ตามทีจะไปมั่วสงวางแผงกันที่ไหนก็ตามถ้าคิดว่าเป็นความลับ แต่ได้ว่าองค์สมเด็ดพจพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอะไรก็ตามถ้ารู้ทั้งหูที่สี่แล้วสิ่งนั้นไม่เป็นความลับเรื่องที่รู้ทั้งหูที่สี่ก็คือคนที่สองคนหนึ่งมันมีสองหูถ้าเราเรื่องนั้นแพ่งพลายไปในหูที่สี่มันไม่มีความลับ แล้วก็ลักษณะกินลักษณะโกงทั้งหลายเหล่านั้นที่เบียดเบียนเอาวัดเอาเปรียบชาวบ้านมันจะมีอะไรเป็นความลับจึงไม่มีข่าวทำหน้าหนังสีพิมพอยู่เสมอเสมอว่าคนนั้นกินอย่างนั้นคนนี้โกงอย่างนี้นี่เป็นลักษณะของคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่บางทีเราเห็นหน้าเขา กำลังจะเห็นว่าเขาไม่น่าจะสดใสเช่มชื่นแต่เมื่อแท้จริงๆนั้ใจเต็มไปด้วยความทุกข์ก็เกรงว่าปากกับใจที่พูดไปไม่ตรงกันปากบอกว่าสื้อสัรสุจริตมีความบริสุทธิ์ทำงานเพื่อชาติทำงานเพื่อศาสนาทำงานเพื่อพระมหากษัตริย์ ทำงานเพื่อเพื่อปวงชนชาวไทยได้ว่างานนั้นเมื่อตนเข้ามารับไม่ช้าไม่นานเท่าใดฐานะที่ต่ำต้อยก็กลายเป็นมหาเศรษฐีแท่อานาจวาสนาที่มีที่คนเขายกย่องแต่งตั้งขึ้นมาควบคุมการงานบริหารแทนตนก็มีจิตทรชนคือคิดคดทรยศ ไม่ซื่อสัตว์วาจาที่ให้ไว้แลยิ่งไปกว่านั้นคนไปเห็นกกบตัวนี้กับธรรมลายบคุคคลผู้มีคุณคิดอย่าจะขับไล่สายส่งคนที่มีคุณให้พ้นไปจากไปจากกิจการงานที่ตอนอยากทำถ้ามีเพราะอะไรก็เพราะว่าความชัว่วของตัวมันมีอยู่ เมืม่อความชั่วแพรนหลายไปมีหมู่ประชาชนเราเองจะมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราเป็นผู้กระทํานี่สำหรับคนที่ถูกกระทำเขามีความทุกข์คนที่มีความทุกข์เขาก็อดอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องยืนโยนความทุกข์ส่งคืนมาให้เราเพราะสิ่งทั้งหลายเรานั้นเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้บอกให้เราทํา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 ในงานยาเพืนมีมาถึงตัวเขาเรากับทําตน้คนดาด่าสิอีกจะตัวรู้เท่าไม่รู้เท่าไม่เท่าทางสถานในการหรือว่ารู้เออรู้ไม่ทั่วรู้ไม่ถึงเป็นอันว่าอย่างนี้เป็นลักษณะของการเห็นแก่ตัวที่ว่ารู้ไม่ทั่วรู้ไม่ถึงเราเคยมารู้คิดว่าถ้าเราโกงเขาได้มันก็ดี แต่เรื่องคิดว่าคนโกงๆที่ก่อนหน้าเราจะเกิดมานี้แล้วก็เกิดมาแล้วทุกคนที่โ ก, กงมีชาว่านู้นทั้งหมดมีลักษณะกายเห็นแก่ตัวนี่ไม่ใช่ลักษณะของคนดีคนดีก็ไม่เห็นแก่ตัวคนดีพระพุทธเจ้าทรงแ น, น, นะนำว่าจงตามทำตนเป็นคนดีก็คือหนึ่งเมตตาความรักต่างคนต่างรักกัน การรักจะรักแบบไหนรู้จักแนะหมดทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากั น, สนแสดงที่ความเป็นมิตรสึ่งกันและกันไม่คิดประหัตประหารไม่คิดยื้อแย้งทรัพย์สมบัติทําลายเอาทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นมาเป็นของตนไม่ยื้อแย้งความรักเขาบุคคลอื่นพูดดีสติสมชัญญาดีนี่เป็นลักษณะหนึ่งที่เราจะควรจะคบคนประเภทนี้ว่าท่านเป็นคนดี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 คนมืองหลายทเขาแสดงความรักเราคนเมืองหลายเขาแสดงความสงสายเพื่อคุณเราให้มีความสุขเราจะมีความสุขก็จะมีความสดชื่นหรือวา่าเราจะมีความทุกข์เราจะมีความแห้งแลง้แลงแรงแค้นใจลักษณะต่อไปของคนดีที่องค์สมเด็จเจ้าคณะสีสอนนั่นก็คือคนที่ไม่มีอารมณ์อิจฉาที่เสียกว่าคนอืน่น ถ้าเรากับเขาเรียนมาด้วยกันเรากับเขาปฏิบัติงานพร้อมกันและก็เป็นงานอย่างเดียวกันบังเอิญเพื่อนดีไปกว่าเรามีวาสนาบารมีดีกว่าได้รับเลื่อได้เรื่องเลื่อนฐานบรรดาศักดิด์มีตำแหน่งสูงกว่าเราก็มีชาคิตยาเขามองดูความดีของเขา ว่าเรามีความรู้เสมอกันข้าทำงานพร้อมกันทำไมเขายังก้าวหน้าดีไปกว่าเราว่าดูในด้านนักษณะของความดีว่าการงานของเราที่ทำมันบกพร่องเห็นตรงไหนบ้างเราก็แก้ไขตัวเราให้ดีเหมือนเขาเราก็จะดีเท่าเขาเป็นนักษงงานคนดีที่สามนนักษงงานคนดีที่สี่ก็คือว่า ไม่ทาใจให้เดือดร้อนในเมื่อกฎหมายกล่าวไว้บอกว่าถ้าใครทำผิดแบบนี้ต้องลงโทษหรือ ว, ว่ากฎข้อบอังคับเฉพาะเขตเฉพาะกลุ่มวางไว้บอกว่าถ้าทำแบบนี้ผิดและเมื่อบทรัุบรรณข้อนี้ต้องถูกลงโทษหรือ ว, ว่าประเพณมีนิยมในเขตั้นเขามีว่าอย่างไร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 หรือว่ากฎบังคับเฉพาะหมู่คณะเ ข, า, ขาวางไว้ทําไมก็วางไว้เพื่อโม่คณะนั้นมีความสุขมีการปฏิบัติสุตานิสมสเหมอกันว่าเพยมีนิยมในท้องถิ่นกตรงนี้กันที่ก็าวางไว้นั้นก็เพื่อความอยู่เป็นสุขในหมู่คณะของเขาหรือว่าในขีดของเขาถ้าเราเป็นคนถูกคนอื่นทําร้ายในการละเมิกดกฎหมาย เราเป็นผูกคนอื่นกันแกล้งในการละเมิดกฎข้อบังคับเราเป็นคนถูกคนอื่นเขาละเมิดระเบียบประเพณีแต่เราเป็นผู้ทรงอยู่ในกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับปฏิบัติตามระเบียบประเพณีเมื่อเราถูกกระทําเข้าอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรความไม่สมบายใจมันก็ปรากฏ เพราะว่าสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นกับเราและคนอื่นที่บุคบคลบางคนไปทำอย่างนั้นเขาเขาก็เด้ดร้อนถ้าบังเอิญตัวเราเองก็ดีเพื่อนของเราเองก็ดีคนที่เรารักเขารักก็ดีไปละเมิดกฎหมายละเมิดกฎข้อบังคับละเมิดตะเบียงประเพณีและก็ต้องถูกลงโทษสาุโทษ ตามกฎที่วางไว้ทั้งสามประการตอนนี้เราก็ต้องทําใจวางเฉยทําใจเป็นกลางหรือว่านั่นเป็นกรรมของเขาที่เขากล้าก็ทําความชั่วตัวก็ต้องถูกลงโทษเราก็ไม่ไปโกรธคนลงโทษไม่ไปโกรธผู้พิพากษาตุลาการและท่านผู้มีอำนาจที่ลงโทษตามกฎหมาย มีลักษณะความดีข้อที่หนึ่งองสมเด็จพระจอมไตรปรมศาสันดาล ส, สัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่าจงคบคนดีอย่าคบคนชั่วถ้าบังเอิญคนทั้งโลกดีอย่ามีทั้งหมดต่างคนต่างรักกันหมดต่างกันต่ต่างคนต่างสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกัน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 คนมาที่เข้ามาก็บอกว่าจะทำดีเมื่อเข้ามาแล้วก็ทำไม่ดีดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็ต้องจ่ายเงินเราก็ต้องเสียภาษีก่อนอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่รักความดีกันถ้าคนทั้งโลกรักความดีกันแล้วก็โลกจะมีความสุขและมีความทุกจะ ต, ต้องเสียอะไรบ้างอรบันดาท่านผู้ฟังสาหรับวันนี้มันก็หมดเวลาเสแล้ว ่อเลยยังไม่จบลักษณะของคนดีในลักษณะที่สองที่ทำให้โลกเป็นสุขเมื่อมดเวลาก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี